คำ ว, ว่าใช้ให้ทำํำความว่าภิกษุทําเองหรือใช้ให้ทําแซมด้วยเส้นไหมแม้เส้นเดียวต้องอบัตทุกกดเพราะพยายามสันทัสเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจําต้องสละแก่สง์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้นิสระสันผัสที่เป็นนิสกีอย่างนี้